พูดถึงเรื่องนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องว่าคนไหนบรรลุอลหรหันต์แล้วถ้าไม่บวชตายเป็นความเชื่อในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมบางประเภทโลตาพรนึกนึกได้มีอุบาสกท่านหนึ่งอะบรรลุอลหรหันต์ตายเหมือนกันมีพระรูปหนึ่งนะท่านพาเหเฮีย บรรลุแล้วไม่บวชตายเหมือนกันน่เราลองจะพูดว่ามาขัดแย้งกันยังไงนะแล้วก็มีพระเจ้าสุทโตนะเนี่ยบรรลุธรรมบรรลุอลหรหันต์แล้วก็ตายเขาบอกคนในบรรลุธรรมแล้วถ้าไม่บวชตายญาติโยมทั้งหลายก็ไม่อยากให้ผัวไปบวชไม่อยากให้เมียไปบวชแต่ไปบวชแล้วก็บรรลุธรรมเดี๋ยวมันตายความจริงมันเป็นยังไงอะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมตาราเขาว่าอย่างไรงคำพีเขาว่าอย่างไรดูตอนหนึ่งของพยศกุลบุตรนะยศะนี่เบื่อหน่ายโลกเดิน อ, อกไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ไปฟังธรรมเป็นโซดาบันพ่อตามไปทมไปทันในบริเวณนั้นตอนเช้ามืดนะพ่อถามว่ามาคุยกับสมณะเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าเลยคุยให้ฟังว่าพูดถึงเรื่องอะไร ปรากฏว่าพ่อก็บรรลุโสดาบันแต่ลูกเนี่ยบรรลุสกทาคามีนะพอ ส, สายมาก็นิมนต์มาฉันที่บ้านพอมาฉันที่บ้านก็เทศให้พ่อเทศให้เมียเก่าเมียฟังพระพุทธเจ้าเทศให้ฟัง พ, พูดหนึ่งเรื่องธรรมะอนุปุภิกถาอริยสัจสี่พูดให้ฟังกับแม่เกิดบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเหมือนกันพูนียแต่ยะเนี่ย บรรลุเป็นอนาคามีพระพุทธเจ้าฉันอาหารเสร็จปุ๊บสัมโมทนียกถาพูดกับเล็กๆน้อยๆ น, ยนี่ปิ้งเป็นพระอรหันต์เป็นพระอาหารหันต์นะแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็คุยกับพ่อของพระยศศักบอกว่าของยศศักนี่นะเขาเหมือน คนที่กินอาหารอิ่มเหมือนคนที่เบื่อโลกไม่ใช่เบื่อโลกนะอิ่มต่อโลกนะเห็นโทษเหงนการอยู่ในโลกไม่สงสัยในวิถีชีวิตโลกพ่อเขาที่ได้ชวนชวนเขาไปอยู่ในโลกคืออยู่ทั้งโลกต่อไปแต่พระรุ่ยยะว่า ย ะ, ะเหมือนคนที่อิ่มแล้วเขากินอาหารอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วรูปรถกินเสียงเนี่ยท่านอยากจะชวนเขาไปกินอยู่อีกหรือถึงชวนเขาไปเขาก็ไม่กินนะแล้วรู้จะกินไปทำไมนะคุยไปคุมาถามเขาก็พูดหลายเรื่องนะพระเจ้าท่านอุปมาสามสี่อย่างพ่อเขาเลยบอกว่าถ้างั้นให้เขาบวชเถิะ คือบรรลุอรหันต์แล้วนะไม่มีอะไรจะทํำนะทางโลกเนี่ยไม่รู้จะไปทําอะไรอ่ะประกววากฏวไม่ตายคนเนี้บรรลุแล้วไม่ตายเพราะาได้บวชมีหลายหคนนะะมีความสงสัยเพราะามันมีในตําราบางอันบอกว่าคนถ้าบรรลุทำแล้วถ้าไม่บวชตายบรรลุอรหันต์อย่างเดียวนะ ถ้าบรรลุโสดาบันสิกธาคามีอนาคามีพวกนี้ไม่บวชก็ได้ไม่ตายแต่พระลัหันในต้องตายเขาว่านะแต่ความเป็นจริงอะไรบรรลุเวลาไม่มีกิเลสเนี่ยอยู่ในโลกได้ไหมได้ไหมได้หรือไม่ได้หือ เสียว่าเราไปอยู่ในโลกแบบไม่โกรธใครเนี่ยอยู่ได้ไหมได้ไม่โลภไม่หลงไม่งวนหิตอือดัดขัดเคืองอยู่ได้ไหมอืมน่าจะอยู่ได้นะไม่น่าจะเป็นอะไรอะแล้วเราก็อยากอยู่ในโลกแบบไม่อือดัดขัดเคืองด้วยไม่งวนหิตไม่อะไรเนี่ยบรรลุอรหันต์นี่มันเป็นยังไงเธอคิดว่าเป็นยังไงผิวหนังบางเหรอเป็นยังไง อยู่กับพ่อเนี่ยอยู่กับพ่อเราอยู่กับแม่เราอยู่กับที่ทำงานทําการสมว่าคิดทั้งโลกเนี่ยคิดฟิสิคเคมีคิดโน่นคิดนี่คิดได้แต่ไม่มีความโลภโกรธหลงเนี่ยดีไหมดีนะเห็นผมหล่นขนหลุดฟันหงอกฟันหักหนังเหี่ยวไปเนี่ยไม่คิดอะไรกับมันในดีไหมดีนะ มันไม่น่าจะเป็นอะไรนะ